สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทักกรคนชอบเล่าพบกันอีกแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่ได้กรุณาแบ่งปันมาครับก็จะมีสลับกันไปนะครับเรื่องผีบ้างเข้าป่าบ้างแล้วก็จะมีเรื่องราวที่น่ารู้จากคนขลังคลังวิชานะครับซึ่งตามกำหนดการผมไม่จะถ่ายทอดทุกวันพระครับแต่ว่าหากมีภารกิจอื่นก็จะมีการเลื่อนไปเป็นวันพระหน้าครับ และการถ่ายทอดกองผมก็คืออ่านตามหนังสือนะครับใช้คําว่าอ่านตามเลยครับไม่มีฟีลลิ่งส่วนตัวมากมายไม่เหมือนกับเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้กรุณาแบ่งปันมาอันนี้ผมจะใส่อารมณ์ของผมร่วมไปด้วยได้แต่หากว่าเป็นตัวหนังสือมาให้ผมได้ถ่ายทอดผมก็จะเคารวผู้ประพันธ์ครับโดยจะไม่บิดเบือนข้อมูลที่มีมาในหนังสือก็อยากให้เข้าใจนะครับส่วนเรื่องน้ําเสียงการถ่ายทอดมันก็เป็นสไตล์ของผมครับ แล้วส่วนตัวผมเองนะครับก็มีความเห็นว่าผมไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบใครครับแล้วก็ไม่เห็นว่าจะต้องไปเหมือนกับใครด้วยผมว่ามันต้องน่าเบื่อมากๆเลยเพราะไปช่องไหนก็เหมือนกันหมดนะ่ะเอาล่ะพอแล้วครับผมขี้เกียจพูดละก็ขอบคุณมากครับสําหรับคําแนะนําที่มอบให้มาตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่ได้กรุณาแบ่งปันมาเบื่อๆอย่างนี้ไปเข้าป่ากกันดีกว่าครับเราจะไปฟังเรื่องราวจากบางรอนเอสโตกันครับเป็นไงล่ะชื่อ แล้วบางรอนก็เล่าว่าสวัสดีครับผมขอฝากเรื่องราวการไปเที่ยวป่าของผมหน่อยนะครับอ๋อกระผมมีชื่อว่ารอนครับผมเป็นคนใต้ครับเรื่องก็คือเมื่อ5้าปีที่แล้วผมได้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งครับแกชื่อว่าพี่โนดพี่โนดแกเป็นคนบ้านๆแล้วพ่อของแกก็เป็นพรานครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งไม่รู้แกนึกครื้มใจยังไงแกมาชวนผมไปเข้าป่าบอกว่าแกกับพ่อจะไปนั่งห้างกันสนใจไหมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบป่านะครับ ชวนเข้าป่าก็ดีใจแล้วนี่ชวนไปนั่งห้างด้วยไม่พลาดแน่นอนไม่มีทางแหละที่ผมจะปฏิเสธแกผมจึงได้ตกลงใจไปกับแกและเมาถึงเวลาตามที่นัดหมายเราก็ออกเดินทางกันเราเดินทางกันไปจนถึงบริเวณเข้าเขตป่าผมก็ได้เห็นว่าพ่อของพี่น้อยแกทําพิธีเปิดป่าด้วยโดยการที่แกเอามีดหมอปักลงกลางพื้นดินแล้วก็พึมพั์ท่องมนไปด้วยพร้อมกับพลิกใบไม้ที่วางไว้ให้คว่ำหนึ่งใบเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็พากันมุ่งหน้าตรงไปยังจุดที่เราจะนั่งห้างกัน รามุ่งหน้าเดินตรงกข้าไปในป่าจะว่าลึกก็ลึกจะว่าไม่ลึกก็ไม่ลึกเอาเป็นว่ากําลังดีระหว่างการเดินก็แว่วยินเสียงพงไพรให้ได้ยินยเรื่อยๆและเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณที่ต้องการเมื่อพ่อพี่โน้อยพบกับทําเลที่ดีแล้วก็บอกให้หยุดเราจะขัดห้างกันตรงนี้แกว่าพ่อพี่น้ก็สั่งว่าให้ทําอาหารกินกันเลยเพราะว่าตกเย็นก็ต้องขึ้นห้างกันแล้วโดยหน้าที่นี้ก็เป็นผมนั่นแหละทําอาหารรอการขัดห้างของพี่โน้ยกับพ่อและเมื่อการขัดห้างแล้วเสร็จ ต่อมาก็คือการรับประทานอาหารกลางป่าซึ่งบรรยากาศมันได้จริงๆหลังจะเก็บหลักฐานร่องรอยกันเรียบร้อยแล้วดวงตะวันสายยันก็คล้อยลงป่าเริ่มมืดถึงเวลาประมาณ6มงเย็นได้พวกเราก็พากันขึ้นห้างพร้อมส่งสัตว์กันข้างบนพอขึ้นไปอยู่ข้างบนได้พวกเราก็พากันเงียบไม่ค่อยได้พูดกันเราก็นั่งรอแล้วก็รอรอกันไปเรื่อยๆฝาก็มืดลงมืดลงมืดเร็วมากแป๊บเดียวมืดสนิทไปหมดเลย มีเพียงแสงจันทร์รำไรให้ยังพอเห็นอะไรลางๆได้บ้างแต่ก็แค่นั้นทุกอย่างเงียบสนิทผมเองก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อยทำไมมันเงียบอย่างนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรร้องเลยสักนิดเดียวซิงรีดเอ๋ยมแมลงกลางคืนเสียงนกเสียงกาแต่ก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วก็นั่งรอเงียบๆต่อไปนั่งรอเป็นนานเท่าไรก็ไม่รู้ท่ามกลางความเงียบและความมืดที่อยู่รอบกายอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆลมเย็นพัดบางเบาผ่านตัวตลอด แล้วก็มีเสียงกระซิบจากพี่โน้ตมาร้อนร้อนแต่เห็นอะไรเห่อยู่นิ่งนะเดี๋ยวเราก็พอจะจัดการกันเองผมได้ยินแกพูดอย่างนั้นก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีอะไรล่ะที่ผมจะต้องเห็นอะไรล่ะที่ผมจะต้องได้ยินก็ได้แต่เก็บความกลัวไว้ในใจทำได้เพียงส่งเสียงอื่นในลําคอให้แกรู้ว่ารับทราบแล้วก็นั่งรอในความเงียบต่อไปแต่ตอนนี้ที่แตกต่างก็คือเริ่มมีความระแวงเพิ่มขึ้นมองไปรอบกายก็มีแต่ความมืดแล้วก็มืด พยายามตั้งสติจะไม่ให้มันอุปทานใดยทั้งสิ้นสองพ่อลูกที่นั่งอยู่บนห้างนี้ก็นิ่งดีเหลือเกินนั่งรองเยียบเยียบกันอยู่พักหนึ่งก็มันเกิดเสียงหนึ่งขึ้นเหมือนว่ามีสัตว์เป็นฝูงกําลังจะเดินผ่านมาทางห้างที่เรานั่งกันอยู่ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นจริงดังคิดปรากฏว่ามีหมูป่าฝูงหนึ่งกําลังจะเดินผ่านห้างที่เรานั่งกันอยู่พีโน่รีบคว้าปืนลูกสองยาวขึ้นประทับบ่าแล้วก็ไม่มีการพูดพร่ทำทาเพลงแกลันไก่ออกไปเลยหนึ่งน โดนโดนเข้าเต็มๆผมเห็นหมูป่าตัวหนึ่งล้มลงนอนตะแคงแน่นิ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเสร็จกูละ่ะครุ้งนี้เคยลงไปดูพี่โน้อยกระซิบบอกแต่ในน้ำเสียงก็บอกให้รู้ว่าแกพอใจไม่น้อยแต่พ่อแกก็ยังคงนิ่งอยู่เฉยๆส่วนผมรู้สึกดีใจด้วยกับแกจากนั้นพวกเราก็นั่งเงียบกันต่อไปหลังจากที่หมูป่าตายต่อมาการรอคอยในความเงียบและความมืดก็ทาให้เกิดรู้สึกง่วง ผมกำลังจะรีพักเสายตาลงเลยพลานก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นผมเพฟังดูคล้ายๆกับเสียงเท้าคนเดินมันเสียงจะดังมาตรงบริเวณที่หมูป่านอนตายอยู่ซะด้วยผมไม่ได้ได้ยินคนเดียวพี่น้อยกับพ่อพี่โน้อก็ได้ยินพี่โน้อยก็เลยเปิดไฟฉายสายไฟลงไปดูปรากฏว่าท่ากลางแสงไฟฉายเจอกระจงหนึ่งตัวน่าแปลกก็คือกระจงตัวนี้มีเขาด้วยและที่แปลกซ้ำก็คือมันกำลังกระโดดวิ่งข้ามไปมาอยู่ตรงหมูป่าตัวที่ตาย ผมมองดูก็กำลังงงว่ามันจะทำอะไรของมันนะ่ะแล้วความงงก็กลายเป็นความตะลึงสะดุง้งเมื่อปรากฏว่าไอ้หมูป่าตัวที่โดนยิงนอนตายอยู่นั้นอยู่ๆมันก็ลุกขึ้นผมได้คนลุกเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าพี่โน้ตกับพ่อแกเป็นยังไงหมูป่าตัวนั้นลุกขึ้นยืนสะบัดตัวนิดหน่อยจากนั้นมันก็รีบวิ่งหนีเข้ามุมมืดไปสมองผมสับสนมากมีคำถามผุดขึ้นมามากมายอะไรกันที่เห็นมันคืออะไรกับม้องเจ้เอ๋ยปากถามพี่โน้ตแต่ก็นึกขึ้นไม่ได้ว่าแกเคยบอกกับผมว่า เมื่อเข้ามาอยู่ในป่าเจออะไรก็อย่าถามอย่าสงสัยเอาไว้ให้ออกจากป่าไปแล้วค่อยถามก็ได้เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาและผมก็เห็นว่าพ่อของพี่โน้ตแกกาลังหยิบลูกปืนแก๊ปเหมือนว่าจะเป็นกระสุนปืนของคนโบราณเห็นแกใส่ลูกตะกัวลงไปในปล้องปืนแล้วก็ตามด้วยของดีซึ่งผมเองก็มองไม่ถนัดแล้วก็ไม่กล้าถามด้วยว่าใส่อะไรลงไปภายหลังจริงด้รู้ว่าเขาเรียกว่ากําจัดกำจ่ายแกจัดการกับปืนของแกเรียบร้อยแล้วก็หันมาบอกว่า เห็นอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าลุจากข้างเป็นอันขาดและงจาพ่อของพี่นอดพูดจบท่านั้นแดงเปาะตุ้งเปาะตุ้งเปาะตุ้งเปาะเปาะตุ้งเปาะตุ้งเปาะตุ้งเปาะเฮ้ยเสียงกลองยาวจริงด้วยมีเสียงกรองยาวดังขึ้นแล้วก็กําลังดังใกล้เข้ามาเปาะตุ้มเปาะตุ้งเปาะตุ้งเปาะเปาะตุ้มเปาะตุ้งเปาะตุ้งเปาะใกล้เข้ามาแล้วก็ใกล้เข้ามาจนกระทั่งผมเริ่มเห็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มขบวนกรองยาวนี้จากที่เห็นน่าจะมีอยู่ประมาณสิบกว่าคน แต่ไม่ก็ไม่ได้สมเทศสมผลเลยกลองยาวอะไรจะมาอยู่ในป่าแถมยังเป็นป่าลึกซะด้วยยกขบวนไปจากที่ไหนและจะไปไหนกันพวกเราทั้งสมคนได้แต่จ้องมองดูกันอย่างเงียบๆขบวนกลองยาวกําลังเคลื่อนผ่านตรงที่เรานั่งห้างกันอยู่เปาะตุะ้มเปาะตุะ้มเปาะตุ้งเปาะเสียงกลองกระหึ่มจริงๆแต่เป็นขบวนกลองยาวที่ไล่ซึ่งแสงสว่างน้าทางยอมรับเลยว่าขนาดนั้นผมรู้สึกกลัวจริงๆยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่ไม่ปกติแน่นอน และสิ่งที่พวกเราทั้งสาคนเห็นพร้อมกันอีกก็คือปลายแถวของขบวนกรองยาวที่กำลังจะผ่านพวกเราไปนั้นปรากฏมีเงาทธมนสูงใหญ่ลักษณะคล้ายคนกำลังเดินตามหลังมาสำหรับผมไอ้พวกที่ตีกรองยาวอยู่ข้างล่างก็ไม่ใช่คนแน่นอนและก็แน่ใจเลยว่าไอ้ที่เดินตามหลังขบวนมาก็ไม่ใช่คนเช่นกันสิ่งตีกรองยาวยังดังกระหึ่มจนในที่สุดขบวนกรองยาวก็ไม่อยู่ใต้ห้างที่เรานั่งกันอยู่และเสียงกรองยาวก็หยุดลงผมเผลอกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว แ ล, แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยป่าทั้งป่าเงียบสนิทหวังเวงขบวนอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างและสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อของพี่โนธแกส่งไฟฉายไปที่เงาใหญ่ทะมึนนั้นป่าแกเขิยวมากอยู่หยับหยับดูไม่สะดุ้งสะเทือนเลยแต่ที่น่าแปลกก็คือแสงของไฟฉายยังไงก็ส่งไม่ชัดเงาทะมึนข้างล่างไม่ได้ชัดขึ้นเลยแต่ก็ยังคงเป็นเงาทะมึนยืนอยู่ให้เห็นอย่างนั้นพอพี่โนธไม่ได้ส่งไฟไปอย่างเดียวแกเล็งปลายกระบอกปืนไปที่เงานั้นด้วย ผมกับพีโน้ได้แต่จ้องมองดูเฉยๆแล้วก็มีเสียงนึงดังขึ้นจากเงาที่อยู่ข้างล่างขอมากินคําหนึ่งเงินก็อาปากเส้พ่อพีโน้ตอบกลับลงไปพอพูดจบเงาใหญ่ทะมึนที่อยู่ข้างล่างนั้นก็พุ่งกระโจนเหมือนจะขึ้นมาบนห้างที่เราอยู่ผมสะดุ้งเฮือกไม่รอช้าพ่อพีโน้รีบเหนี่ยวไกใส่กระสุนใส่ร่างนั้นทันทีป้องกระสุนเข้าเป้าเต็มๆเงาทะมึนนั้นกระเด็นถอยหลังแล้วก็กลิ้งตกลงไปในสันเขา ผมกับพี่โน้ตรีบส่องไฟฉายตามแล้วก็ส่งดูทั่วบริเวณข้างล่างสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต่อมาก็คือขบวนของกรองยาวที่เห็นกันมาเมื่อครู่นี้ที่ตีกันล่านสนันป่าบัดนี้กลับไม่ใช่แบบเช่นนั้นหมูคนที่เห็นกลายเป็นสัตว์ต่างๆมากมายมีกระทิงตัวใหญ่ๆสามถึงสตัวกับหมูป่าอีกเกือบสิบตัวสัตว์เหล่านั้นแต่กระเจิงหนีไปกันคนละทิศคนละทางผมยังไม่หายตกใจก็ได้ยินเสียงของพ่อพี่โน้ตบอกว่าน้อยก็ต่อเถอะไม่มีอะไรแล้ว ะอะไรนะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ให้นอนต่อเลยอะไรมันจะดูง่ายได้อย่างนี้พรุ่งนี้ก็ลงไปดูแล้วก็ไปตรงถามอะไรแล้วนะแกย้ําบอกอีกทีเห็นพี่โน้ตไม่ได้หือเอืออะไรผมก็เชื่อแกก็เลยนอนซะเลยพอรุ่งอรุณเช้ามาถึงพวกเราก็รีบเก็บข้าวของลงจากห้างกันเตรียมตัวจะเดินทางออกจากป่ากันสิงพ่อของพี่โน้แกก็บอกว่าเดี๋ยวไปเดินเล่นกันที่สันเขาหน่อยเถอะพวกเราก็เลยเดินลงไปดูที่สันเขา ปรากฏว่าเราได้พบกับร่างร่างหนึ่งมันคือร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่มันนอนตายอยู่ตรงสันเขาสมองผมเลยคิดปฏิติประปต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเงาทะมึนลึกดับโด น, นยิงตกลงมาทางนี้พอเช้ามาก็เจอร่างของเสือตายชัดเจนและแน่นอนระหว่างที่ผมกําลังตะลึงอยู่นั้นเสียงพ่อพี่โน้ตก็บอกว่าอา้าวช่วยกันอ้าปากเสือตัวนั้นหน่อยซิฮะให้ผมอ้าปากเสือนี่นะผ ม, มไปมองพี่โน้ตพี่โน้ตก็พยักหน้าไม่มีทางเลือกก็เลยต้องช่วยแก้อ้าปากเสือ พอช่วกันอ้าปากเสือได้ก็เห็นว่าพอพี่น้ยก็หยิบมีดหมอออกมาแล้วแกก็ตัดเอาเขี้ยวคุณเสือตัวนั้นทั้ง4ีเขี้ยวแกก็บอกอีกว่าเขี้ยวคุณเสือโคร่งเป็นของดีชนิดหนึ่งสเสร็จเรียบร้อยเราก็รีบพากันเดินออกจากป่ากันมุ่งหน้าตรงกลับบ้านและเมื่อเรามาถึงบ้านกันพอพี่โน้ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่เราเจอเมื่อคืนนะ่ะคืออะไรแกบอกว่ามันคือผู้ผีป ร, ราบผีปล้องหรือเรียกง่ายๆก็คือผีที่ดูแลพื้นที่ในป่า แล้วเรื่องราวประสบการณ์การนั่งขั่งของผมก็มีเพียงเท่านี้แหะครับครับผมก็ขอขอบคุณบางรอนเอสโซมากนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดอันที่จริงรู้ว่าสั้นไปครับว่าจะไปต่ออีกสักเรื่องนึงแต่ก็ไม่ทันจริงๆครับขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับทุกเรื่องให้ฟังเพื่อความบันเทิงครับก็ยังคงส่งเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เช่นเดิมอีกเรื่องครับ